เป็นธรรมเนียมชาวพุทธเวลาเข้าพรรษาเราก็จะมีของถวายอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งเทียนจำพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนการถวายสิ่งทั้งสองสิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ก็าจะรู้สึกว่าไม่มีความสำคัญหรือไม่มีความจำเป็น เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีไฟฟ้าแล้วก็เรามีระบบประปราห้องน้ำสมัยก่อนมันไม่มีเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้ายามค่ำคืนนี้ต้องอาศัยแสงเทียนที่นิยมถวายในช่วงเข้าพรรษาเพราะเป็นช่วงที่มีคนมาบวช มากเป็นธรรมเนียมชาวไทยเมื่ออายุครบยี่สิบปีชาวที่เป็นผู้ชายก็จะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดาวัดวารามก็จะมีคนมาบวชกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ความจำเป็นที่จะต้องใช้ แสงเทียนก็มีเพิ่มมากไปตามปริมาณของคนของพระจึงเป็นธรรมเนียมช่วงก่อนเข้าพรรษาจะมีการแห่เทียนหล่อเทียนแล้วก็เอาไปถวายวัดกันวัดจะได้มีแสงสว่างใช้อย่างพอเพียงในยามค่ำคืน แต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แสงเทียนกันแล้วเพราะมีแสงไฟฟ้าเทียนก็เลยเป็นเพียงเครื่องประดับไปจุดในโบสถ์เวลาทำพิธีกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้า ว, วัดเย็นแต่ไม่ได้ใช้เพื่อให้เป็นแสงสว่างเหมือนสมัยก่อ น, อน น, นี่คือธรรมเนียมของการถวายเทียนพรรษากันเป็นสิ่งที่จำเป็นในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ได้จำเป็นยังมีการเปลี่ยนการถวายเทียนมาถวายหลอดไฟเพราะเดี๋ยวนี้ใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีหลอดไฟกัน หรือที่บนเขานี้ก็นิยมถทายไฟฉายบนเขานี้ก็ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้เทียนข้างบนนี้ยังใช้เทียนแล้วก็ใช้ใช้ไฟฉายหรือใช้หลอดไฟแบบชาร์จได้เดี๋ยวนี้มีหลอดไฟตอนเช้าท่านลงไปบินตบาส ท, ท่านก็ถือหลอดไฟหรือไฟฉายที่ชาร์จไฟได้ ไปชาติไฟที่ข้างล่างที่วัดข้างล่างมีไฟฟ้า <c oughs> แต่ที่ข้างบนนี้ไม่มีไฟฟ้าเพราะเป็นนโยบายของสมเด็จพระสังฆราชที่ผู้ที่ก่อตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมบนเขานี้ท่านต้องการให้เป็นเหมือนกับวัดป่าจริงๆ สมัยที่สมเด็จพระสังฆราช ท, ท่านยังไม่ได้เป็นสังฆราช ท, ท่านมีเวลาว่างท่านมักจะไปปริกวิเวกไปอยู่ตามวัดป่าไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นวัดวัดป่าสายหลวงปู่มั่นในส่วนใหญ่ท่านจะไม่ใช้ไฟฟ้ากันเพราะท่านเห็น เห็นภัยเห็นโทษของการมีไฟฟ้าต่อพระเนรเพราะถ้ามีไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีของที่กิเลสชอบเข้าไปในวัดกันพวกวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆตู้เย็นพัดลมของพวกนี้มัน ไม่เป็นประโยชน์ต่อการทำลายกิเลสเป็นประโยชน์ต่อกิเลสกิเลสชอบของพวกนี้แต่พระเนนที่ไปบวชกันนี้ท่านต้องการที่จะไปฆ่ากิเลสแต่ถ้าเอาไฟฟ้าเข้าไปแล้วแทนที่จะไปฆ่ากิเลสกลับไปไปเลี้ยงกิเลสไปเพิ่มกิเลสไปสร้างกิเลส ให้มีมากขึ้นพระสายวัดป่าจริงๆท่านจึงไม่ใช้ไฟฟ้ากันใช้ใช้เทียนใช้ไฟฉายเพราะความจริงพระปฏิบัติตอนค่ำคืนท่านก็ไม่ค่อยได้ใช้ไฟกันส่วนใหญ่ท่านก็จะนั่งสมาธิ กาะนั่งสมาธิก็ไม่ต้องใช้ไฟนอกจากเวลาออกมาเดินจงกรมก็จะมีตะเกียงที่ทำาด้วยทำด้วยผ้าแล้วก็ใช้ใช้เทียนเป็นแสงมีมีคมค ม, มทำด้วยผ้ากันกันลมพัดเทียน พัดดับพัดเทียนให้ดับแล้วก็ใช้เทียนแขว้นตามทางเดินจงกมก็พอมีแสงสว่างเดินได้ข้างบนนี้ก็เลยไม่มีไฟฟ้าแต่อาจจะเห็นเสาไฟฟ้าว่าแล้วทำไมถึงมีเสาไฟฟ้าก็คือตอนที่ สมเด็จพระสังฆราชท่านาท่านขึ้นมาทําที่ปฏิบัติธรรมเวลาท่านมาปฏิบัติภารกิจที่วัดยานช่วงนั้นท่านมาก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างอะไรเวลาท่านมาทำพิธีวางศิลาเลิกหรือมาดูงานช่วง ตอนค่ำตอนเย็นท่านก็จะขึ้นมาพักบนเขาท่านจะมาปีกวิเวกมาปฏิบัติธรรมบนเขาแล้วก็มีวันหนึ่งในหลวงรอเก้าท่านก็มาเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชที่บนเขาก็เลยได้ เห็นสถานที่ที่สวยงามต่อการปฏิบัติในหลวงท่านก็มีขสัทธาเคยปาลบว่าอยากจะบวชตอนที่เขาไปอายุหกสิบอยากจะมาอยู่บนเขานี่บวชแล้วก็อยากจะขึ้นมาอยู่ศึกษากับสมเด็จพระสังฆราชบนเขานี่พอท่านปาลบอย่างนั้นทาง ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสถานที่นี้ก็เลยต้องดำเนินการคือเอาไฟฟ้าเข้ามาเอาไฟฟ้าเตรียมเข้ามารับรองถนนเมื่อก่อนก็เป็นถนนลูกลังถนนขึ้นเขาเนี่ยยังไม่ได้เป็นถนนลาดย่าง อท่านปรารว่าท่านาจะมาบวชนี่ก็เลยต้องมีการเตรียมการรับสเสด็จเลยมีการลาดยางถนนขึ้นเขามาแล้วก็มีการเอาไฟฟ้าขึ้นมาเตรียมไว้นี่คือที่มาของเสาไฟฟ้าที่ญาติโยมมาจะเห็น แต่ไม่เคยได้มีใช้กันใช้กันเฉพาะช่วงที่สมเด็จพระสังฆราชท่านได้เป็นสังฆราชแล้วท่านขึ้นม า, าพักบนเขาพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาขอให้มีแสงสว่างเขาก็เลยใช้ไฟฟ้าเป็นแสงสว่างให้กับเจ้าหน้าที่ไว้คอยทารักขา แต่ผ้านเนนเราไม่ได้ใช้ตามกุฏิต่างๆนี้จะไม่มีไฟเข้าไป น, นี่คือทำไมจึงมีเสาไฟฟ้าแต่เดี๋ยวนี้สายไฟฟ้าถูกถอดออกไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นปัญหามันต้นไม้มันจะไปพาดกับสายไฟฟ้าแล้วก็ไปดึงให้เสามันล้มลงมา ก็เลยไปขอร้องให้ทางไฟฟ้าเข้ามาถอดสายไปเขาก็เลยถอดสายไปแต่เสาเขาก็ยังทิ้งมันไว้อยู่อย่างนั้นเสาบางต้นที่มันล้มก็เขาก็เก็บไปนี่คือทําไมข้างบนนี่เราจึงไม่มีไฟฟ้ากันแล้วอีกอย่างไม่มีก็คือน้ําปะปา บนนี้ก็ไม่มีน้ำประปาห้องน้ำที่โยมเข้าไปใช้อาจจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นน้ำประปะาความจริงเป็นมันเป็นมันท่อน้ำมาจากถังเก็บน้ำบนห้องน้ำที่เราต้องเอารถบรรทุกน้ำขึ้นมาสูบขึ้นไปใส่ไว้ในในถังน้ำแล้วก็ต่อท่อออกจากถังน้ำ เองเข้ามาใช้ในห้องน้ำอันนี้ไม่ได้เป็นน้ปาประปาข้างบนนี้ไม่มีแหล่งน้ำต้องขนน้าบรรทุกสายรถบรรทุกน้ำขึ้นมาช่วงนี้ก็อาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นมาสองเที่ยวก็เลยอาจจะมีความลำบากนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องน้ำ ห, ห้องน้ำห้องท่าเพราะหนึ่งมันก็ ที่มันไม่มีที่จะทําต่อทําให้มันใหญ่ขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็มีอยู่สามห้องก็เลยมีโอกาสวันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบใครที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆคนมากๆถ้าอยากจะใช้ห้องน้ําก่อนจะขึ้นมาก็แวะที่วัดยานก่อนะที่วัดข้างล่างมีห้องน้าเยอะใช้ได้เอ ไปจอดที่ข้างศาลานั้นน่ะศาลาหอฉันจะมีห้องน้าไว้ให้ใช้ข้างล่างจะสะดวกมีน้าประปามีไฟฟ้าแต่ข้างบนนี้มันมันไม่มีทั้งน้ำประปาทั้งไฟฟ้าเมื่อกี้มีญาติโยมท่านหนึ่งอยากจะขอให้ติดท่วมโถส้วมให้ผู้ชายปัสสาวะนี้มันเขาจะติดข้างนอก มันก็ดูไม่สวยงามาก็เลยบอกทําทำไม่ไดอ้อันนี้ก็ต้องขอความเห็นใจขอความเข้าใจาว่าเดิมทีข้างบนนี้ไม่ได้ทำไว้เพื่อรับรองญาติโยมข้างบนนี้ทำไว้สำหรับให้พระเนนขึ้นมาเปรีก๊กวเวกมาปฏิบัติกันทีนี้เราเป็นตัวปัญหาเอง ที่คนพอรู้จักมากคนก็อยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาทําบุญอยากมาสนทนาธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วก็พอมาแล้วก็ไปบอกเพื่อนฝูงต่อเพื่อนฝูงก็บอกเพื่อนฝูงต่อก็เลยมีคนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมีการ เนี่ยการการฟังเทศฟังธรรมมากขึ้นอยู่เดิมทีก็มีศาลาหลังนี้หลังเดียวไว้สำหรับฟังธรรมพื้นที่ญาติโยมนั่งอยู่ก็เป็นพื้นดินทีนี้ก็เลยต้องปลูปลูแผ่นหินเพื่อให้ญาติโยมนั่งได้เพราะจะสร้างอาคารมันก็ไม่ หาที่สร้างไม่ได้อาคารใหญ่ๆแล้วมันก็ไม่เหมาะกับพื้นที่มันทำลายสภาพความเป็นป่าไปเลยไม่ได้มีการสร้างอาคารอะไรอาศัยนั่งกับพื้นปูเสือกันไปหรือนั่งเก้าอี้สำหรับท่านที่นั่งพระเพียบไม่ได้ก็มีคนจัดหาเก้าอี้มาให้ของทุกอย่างนี้ เป็นเรื่องของญาติโยมช่วยกันมาจัดมาให้ทางเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีการมาถ่ายทอดสดก็เหมือนกันก็มีลูกศิษย์ลูกหายาติโยมทำกันเองพออยากจะเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่อยู่ห่างไกล จะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อจิตใจที่จะเป็นที่พึ่งของจิตใจในการบำบัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้พยายามที่ไม่ ไม่ให้มีการกอร่อสร้างมากเพราะถ้ามีการกอร่อสร้างมันก็จะมีเสียงกระทึกคึกโคมคนพลุบพลาดไม่สงบพยายามทำเท่าที่จำเป็นจริงๆศาลาหลังนี้ก็มีคนอยากจะให้ทุบทิ้งทำใหม่เราก็บอกว่ามันยังใช้ได้อยู่ใช้มันไปเถิดซ่อมมันไป มันก่อนมันราวบันไดมันหลุดก็จะซ่อมช่างก็บอกว่าทำใหม่เลยผมไม่ม่ไม่ให ม, ม, ม, ม่แล้วเอาเท่าที่จำเป็นซ่อมเท่าที่จำเป็นใหม่แล้วงานมันมากเรื่องมากงานมันจะขยายออกไปนี้ก็ศาลาหลังนี้ก็ปลูกมาตั้งแต่ปีสองหกเนี่ย ช่วงที่เริ่มมาพัฒนาใหม่ๆได้ไม้จากญาติโยมที่เขามีบ้านเก่าแล้วถวายให้กับสมเด็จพระสังฆราที่วัดโบนสมเด็จก็สั่งให้เอามาไว้ที่วัดยานในวัดยาณก็ไม่ได้ใช้ไม้เก่าเพราะช่วงนั้นกําลังสร้างสร้างกุฏิก็ใช้ไม้สร้างกุฏิก็มีไม้ใหม่ ทีนี้มีพระ อ, อาจารย์ที่มาเป็นหัวหน้าสงฆ์ท่านเป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่นมาจากวัดธรรมกองเพลชื่อพระ อ, อาจารย์หวันท่านเห็นว่าข้างล่างมันมีการก่อสร้างมันก็ไม่สงบเห็นนุมบนเขานี่เงียบสงัดดีก็เลยขออนุญาตสมเด็จพระสังฆราชว่าจะขึ้นมาปลูกกระต๊อบศาลาเล็กๆไว้ให้พระเนน มาปีกเว่ยมานั่งสมาธิกันแล้วก็ขอไม้ที่เขาถวายให้กับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยไม้ที่ปลูกเป็นพื้นเนี่ยเป็นไม้ที่เขาถวายมาเป็นไม้เก่ารื้อออกจากบ้านส่วนเสานี้ท่านก็ขออนุญาตป่าไม้เอาตัดต้นไม้เล็กๆมาทำเสา เสาบนนี้มันก็เลยไม่เป็นเสาปกติเสามันงอไปงอมาเสาธรรมชาติเนี่ยได้ต้นไม้ก็มาตัดมาแล้วก็ปักมันนี่คือไม้เก่าของเก่าที่มีอยู่ช่วงหนึ่งปลวกมันขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนไม้ก็มีไม้ใหม่บ้าง ในระยะแรกๆนี่จะงูงด้วยหญ้านี่งูงด้วยหญ้ามันก็จะต้องคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยทุกสี่ห้าปีหญ้ามันก็ผุเปื่อยก็ต้องคอยรื้อมันเป็นภาร ะ, ะที่ต้องมาคอยเปลี่ยนก็เลยเอาเป็นสังกสีดีกว่าอมันคนงทนกว่าใช้ได้นานกว่าอืม สังกะสีนี่ก็เป็นรุ่นที่สองนะรุ่นแรกก็หมดอายุไปนี่รุ่นที่สองยังไม่รู้จะว่าจะมีรุ่นที่สามต่อเปล่าตอนนี้ก็ยังพอที่จะใช้ได้อยู่มีรอยนั่วบ้างก็มีใช้มีแผ่นที่มาอุดมันได้ก็เลยนี่คือความพยายามที่จะไม่ให้มี สิ่งปลูกสร้างเกินความจำเป็นส่วนศาลาด้านหลังที่อยู่ด้านหลังนี้เดิมทีก็มีอยู่ชั้นเดียวชั้นล่างทำไว้สําหรับให้พระท่านมาฉันน้ําปานะทำเป็นที่เก็บของส่วนรวมของที่ญาติโยมถวายนี้จะเป็นสังฆทานหมดคือจะไม่เป็นของพระรูปใดรูปหนึ่ง จะเอาไปรวมกันไว้ในห้องเก็บของแล้วพระเนต้องการใช้ก็มาหยิบไปใช้ให้ลูกศิษย์ประเคนให้ตอนบ่ายเย็ย น, ยนเป็นช่วงฉันน้ำปานะก็จะมาฉันน้ำปานะมีน้ำชากาแฟมีเตาแก๊ส้วยสำหรับต้มน้ำร้อนมีกระติกใส่น้ำแข็งไว้สำหรับดื่มน้ำเย็น อันนี้ที่ช่วงที่มีญาติโยมเริ่มมากันมากก็เลยคิดว่าจะต้องอใช้ศาลาที่ใหญ่กว่านี้ก็เลยเห็นว่าชั้นบนที่เป็นเป็นหนังคาของตัวอาคารทำเป็นพื้นได้เพราะเป็นไม่ได้ใช้เป็นหนังคาปูกระเบื้องเป็นหนังคาเทคอนกีตก็เลยต่อเติมเพิ่มหนังคาขึ้น เป็นชั้นสองแล้วก็เอาไม้มาปูเป็นพื้นทำเผื่อที่จะใช้รองรับคนที่บามากขึ้นเพราะเป็นศาลาที่ใหญ่กว่าขนาดที่ใช้อยู่ตอนนี้ประมาณสักสองเท่ากว้างกว่าสองสองสอ ง, สองหรือสามเท่าแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะรู้สึกญาติโยมชอบนั่งกับพื้นกัน มาก็มักจะมาปูเสือ่อนั่งกับพื้นก็เลยใช้เฉพาะเวลาที่ฝนตกช่วงไหนที่ฟังเทศแล้วฝนตกก็ต้องหนีเข้าที่ร่มกันแต่ถ้ามันช่วงที่ไม่มีฝนตกนี้ญาติโยมไม่ค่อยขึ้นมาที่ศาลากันชอบนั่งกับพื้นนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไป บรรยากาศที่สงบนี้เ อ, อื้อเอื้อต่อการทำจิตใจให้สงบสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกายวิเวกกายวิเวกก็คือความสงบทางกายก่อนถึงจะทาให้จิตวิเวกได้จิตวิเวกก็คือความสงบของจิตจิตจะสงบ ก, ก็ต้องอาศัยความสงบทางร่างกายก่อน ถ้าทางร่างกายไม่สงบมีกิจกรรมอะไรต่างๆไม่มีศีลสังวรไม่มีอินทรีย์สังวรจะทำให้จิตสงบไม่ได้ศีล ส, สังวรก็คือศีลห้าต้องไม่มีการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปจะทำให้จิตใจวุ่นวายแล้วก็จะมีโทษมีอะไรตามมาจะต้องไป แก้โทษไปใช้โทษจะไม่มีโอกาสจะมาทำจิตให้สงบได้นอกจากศีลสังวรแล้วก็ต้องมีอินทรีสังวรอินทรีสังวรก็คือการสำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราที่เรา ใช้ในศีลแปดเนี่ยศีลหกศีลเจ็ดศีลแปดคือศีลสังวรให้คืออินทรีย์สังวรศีลข้อหกให้สำรวมเรื่องของการบริโภคอาหารศีลข้อเจ็ดก็ให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปรับรู้เรื่องราวที่จะทําให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาคือการดูมอห์สบบันเทิงอะไรต่างๆ แล้วก็การหลับนอนก็ให้นอนพอประมาณไม่ให้นอนมากเกินไปนอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่สบายอย่าไปนอนบนฟูกนะหนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะมันสบายแล้วเวลาร่างกายตื่นจากการได้พักผ่อนก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงนี่คือ ปัจจัยที่จะเอื้อต่อการสร้างความสุขทางใจคือความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากมีได้เงินทองได้ยศได้รางวัลได้สรรเสริญได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปฐพีต่าง ความสุขที่พวกเราเชาวคาลว่าดญาติโยมแสวงหากันสัมผัสกันเป็นความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่มันเสื่อมไปหมดไปแต่พวกญาติโยมก็ไม่มีทางเลือก พะเกิดมาอยู่ในสังคมที่หาความสุขแบบนี้กันปู่ย่าตายายปีดามานดาญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายก็หาความสุขแบบนี้กันไม่มีใครรู้จากวิธีหาความสุขแบบพระพุทธเจ้ากันนอกจากได้มาวัดได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรม ได้มาพบปะกับพระสององค์เจ้าถึงจะเห็นว่ า, ามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้ที่กำลังเสพกำลังสัมผัสกันอยู่เพราะเป็นความสุขที่ปะปนคุกเข้าด้วยความทุกข์ด้วยความวุ่นวายใจด้วยความวิตกกังวลด้วยความหวาดกลัว นี่คือผลที่เกิดจากการที่ญาติโยมามาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะเพราะมันไม่เที่ยงของพวกนี้มันไม่เที่ยงเวลามีมันก็ดีแต่เวลาไม่มีมันมันมันไม่ดีเหมือนเป็นพิษเป็นภยัยมันเป็นเหมือนกับขาดลมหายใจ ถ้าไปอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นลมหายใจเวลามันหมดไปนี่มันจะทำให้ทรมานแต่ก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางอื่นถ้าไม่ได้เข้าวัดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันเพราะเห็นวัดเป็นเรื่องงมงายไปเสียอีกไม่เข้าใจว่าวัดนี่แหละเป็นแหล่งของความรู้ ที่วิเศษเป็นแหล่งของความสุขที่วิเศษแต่ไม่เข้าใจกันส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนสอนก็สอนไม่เป็นไม่รู้คนที่รู้จริงๆเรื่องของศาสนาพุทธนี่มีไม่มากพระอริยะเจ้าเป็นผู้ที่รู้เรื่องของศาสนาอย่างจริงจังส่วนถ้าไม่เป็นพระอริยะนี่จะไม่รู้ จะไม่เข้าใจแล้วก็จะทำให้าศาสนากลายเป็นของงมงายไปทำให้าศาสนากลายเป็นเหมือนกับแหลงหลอกลวงหลอกลวงให้คนทำบุญทำทานโดยที่คนทำบุญทำทานทำไปก็ไม่รู้ว่าได้อะไรทำไปก็เพราะเชื่อเท่านั้นว่าได้นูน่นได้นี่ แต่ไม่เห็นไม่ได้สัมผัสอย่างอย่างจริงจังออก็เลยยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรออบุญเป็นอย่างไรออความสุขทางใจเป็นอย่างไรนี่ไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เพราะความกลัวกลัวบาปกันก็เลยทำบุญกันกลัวที่จะออกลัวนรกนี่ แล้วก็เชื่อเชื่อเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อแ น, นลกเชื่อสวรรค์แต่ยังไม่ได้สัมผัสกับผลจริงๆเลยไม่ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจังทําแบบกักเอาไว้ทําไว้บ้างเผื่อไว้เผื่อเผื่อมันเป็นเรื่องจริงตายไปจะได้ไม่ขาดทุนทําบุญถ้าตาถ้ามีจริงสวรรค์มีจริงทําบุญก็ยังได้ไปสวรรค์ บาปก็ไม่ทำทาทำบ้างก็พยายามทำให้น้อยแต่ถ้ายัางต้องทำก็ทำไปแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ทำการนี้แบบว่าไม่ไม่เอาแบบไม่เชื่ออย่างจริงจังถ้าเชื่ออย่างจริงจังนี่บาปจะไม่ทำเลยจะทำแต่บุญอย่างเดียวทีนี้ยังไม่รู้ว่าบุญนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมา ยังไม่รู้ว่าบาปนี้ทำอะไรให้เกิดขึ้นมาเพราะคนขายบุญขายบาปนี้ไม่แจ้งให้รายละเอียดให้ทราบเหมือนคนขายประกันไม่ได้บอกว่าจะรับประกันอะไรให้บ้างงแต่พูดรวมๆ ว, ว่ารับประกันรับรองมีเหตุมีภยัยแล้วจะรับดูแลให้ทุกอย่างแต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียด คนซื้อประกันเลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าจะถูกหลอกร็เปล่านี่คือที่มาทำไมศาสนาเราคนจริงไม่ได้มีความศรัท ธ, ธาแบบจริงจังทำกันส่วนหนึ่งก็ทำเพราะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเชื่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเชื่อกันมาก็ทำกันมาทำด้วยความเชื่อ แต่ยังไม่ได้สัมผัสกับผลจริงๆอันนี้เพราะว่าไม่ได้ทำอย่างจริงๆทําทำอย่างเต็มที่การที่จะเห็นผลประโยชน์ที่ศาสนาจะมอบให้กับเราเนี่ยเราต้องทำอย่างจริงจังทำอย่างเต็มที่เราถึงจะได้รับผล ที่ศาสนาจะมอบให้กับเราผลที่เราจะได้รับอย่างเต็มที่ก็ต้องผลที่เกิดจากการปฏิบัติจิตนี่แหละการที่จะทำจิตให้สงบอันนี้ถ้าจิตสงบเมื่อไหร่แล้วเทนี้จะเห็นเห็นเห็นผลที่ศาสนาจะมอบให้กับเราว่าเป็นอย่างไร ทีนี้จะเชื่ออย่างเต็มร้อยเลยเชื่อว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีกว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนนี้มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยเป็นความสุขที่ไม่จืดไม่จางไม่เสื่อมไม่หาย เมื่อเราทำมันได้แล้วเราก็สามารถทำมันได้เรื่อยๆถึงแม้มันจะหายก็หายแป๊บเดียวพอมันหายเราก็เติมได้ทันทีมีความสุขได้อย่างต่อเนื่องจนถึงจุดที่มันไม่หายเลยความสุขทางใจความสงบในเบื้องต้นมันก็ยังเป็นเหมือนเด็กแบบล้มลุกคุกคานอยู่เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็ล้มลงไปเดี๋ยวก็ต้องคาน แต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะยืนได้เดี๋ยวก็จะเดินได้เดี๋ยวก็จะวิ่งได้วิ่งมาราธอนได้นอันนี้ก็เหมือนกันตอนที่เราเริ่มฝึกปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าใหม่ๆความสุขใจมันก็จะเป็นแบบน้มลุกคุก ข, ขาด่าโดยเฉพาะขั้นต่ำขั้นทำบุญให้ทานขั้นรักษาศีลนี่ มันจะมีความสุขน้อยมันจะรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่และส่วนหนึ่งก็เพราะทำไม่ถูกด้วยทำไปเพราะมีความโลภอยากได้สิ่งตอบแทนความโลภที่อยากจะได้สิ่งตอบแทนจากการทำบุญมันก็เลยทำให้ผลบุญที่เราอยากจะได้นี้ไม่เกิดขึ้นมาหรือเกิดเราก็มองไม่เห็น เพราะเราทำบุญแล้วเราอยากจะได้นู่นได้นี่กันบางคนทำบุญแล้วอยากจะขอให้ล่ำให้รวยขอให้ก้าวหน้าในการทามาหากินจเจริญรุ่งเรืองต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ขอให้ได้จากการทำบุญอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการทาบุญการรักษาศีนี้ เป็นการสร้างความเจริญทางจิ ต, ตใจสร้างความสุขความเจริญในความสุขทางจิตใจให้มีมากขึ้นไปเวลาทำบุญจริงๆโดยที่เราไม่ต้องการอะไรเป็นสิงตอบแทนเราจะรู้สึกอิ่มใจสุขใจทำให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขขึ้นมาในใจ ความสุขนี่แหละที่จะเป็นสวรรค์เวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาเราไม่มีร่างกายใจจะอาศัยความสุขใจที่เราได้ทําจากการทําบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาป้อนจิตใจของเราให้มีเรื่องราวที่ดีปรากฏขึ้นมาในใจของเราเหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยว เหมือนกับเราได้ไปทาอะไรที่เราอยากทำที่เราชอบทำทำแล้วมีความสุขกันอันนี้หละเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญใจของเราจะอิ่มจะสุขนอนหลับก็จะฝันดีเวลาตายไปมันก็จะฝันดีเหมือนกันเพราะตอนตายกับตอนนอนหลับมันก็เหมือนกันเพราะตอนตายก็ไม่มีร่างกาย ตอนนอนหลับก็ไม่ได้ใช้ร่างกายจิตก็ใช้ความฝันเป็นเป็นเครื่องบันเทิงถ้าทำบุญก็จะฝันดีก็จะมีเรื่องที่ดีให้เป็นบันเทิงถ้าฝันถ้าทำบาปก็จะฝันร้ายเนี่ยทำไมท่านถึงสอนให้เราอย่าทำบาปเพราะทำบาปแล้วทำให้ใจเรา วุ่นวายทำทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราทุกเวลานอนหลับก็จะฝันร้ายเวลาไม่มีร่างกายก็จะฝันร้ายฝันร้ายก็เรียกว่าอาบายอนรรกเนี่ยคือความฝันร้ายนี่คือเรื่องของผลที่จะเกิดจากการ ทำบุญกดจากการละบาปถ้าไม่ทำบาปจะไม่ฝันร้ายถ้าทำแต่บุญจะฝันดีขึ้นสวรรค์ในตอนตอนที่เรานอ น, อนหลับตอนตื่นเป็นมนุษย์แต่ตอนนั้นหลับไปเป็นเทวดากันเพราะเราจะฝันเรื่องของเทวดาเราจะเป็นเทวดากันตอนที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนกันก็เราก็จะเป็นเทวดากัน ในทางตักันข้ามถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราทำบาปตอนที่เรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายเราก็จะไปเอาบายกันฝันร้ายก็มีหลายแบบฝันเพราะกลัวเหตุการณ์ต่างกลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไปอยู่กับพวกกระสุรละกายถ้าฝันด้วยความหิวโหวยอดอยากขาดแลน ก็จะไปอยู่กับพวกเปรตนะถ้าฝันด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมฆนะ่ากันฟันกันต่อสู้กันอันนี้ก็จะไปอยู่กับพวกนรกนะี่นี่คือผลที่จะเกิดจากการทำบาปนะที่ไม่ค่อยมีใครจะมาอธิบายให้ฟัง ตั้งแต่เราศึกษามาอ่านหนังสืออะไรมาก็ไม่มีใครมาแจกแจงผลเหล่านี้ก็เพียงแต่พูดว่าเชื่อไว้เถิดเชื่อบุญสวรรค์นรก อ, า บ, อาบายแตไม่มีใครที่จะม า, าเหมือนกับวาดภาพให้ดูวาดภาพให้เห็นเหมือนกับสอนเด็กเนี่ยถ้าไม่มีภาพให้ดูเด็กจะไม่เข้าใจ กอไก่ก็ต้องวาดตัวไก่ให้เด็กดูอขอไข่ก็ต้องวาดลูกไข่ให้เด็กดูเอเด็กมันจะได้เข้าใจว่ากไก่คืออย่างนี้ขอไข่คืออย่างนี้แต่ถ้าบอกให้ท่องไปกอไก่ขอไข่มันก็จะไม่เห็นภาพมันก็อาจจะจําไม่ได้แต่พอมันเห็นภาพแล้วมันจําได้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย พอเราเห็นภาพของนรกของสวรรค์เป็นยังไงทีนี้เราก็จะได้จําได้นะถ้าเราอยากจะฝันดีถ้าเราเวลาตายเราเราก็ฝันอยากจะฝันดีตอนตายหรือตอนนอนหลับเราต้องทําบุญนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อ น, นี้สงของผู้ทําบุญคือผู้มีความเมตตาตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุข นอนหลับก็ไม่ฝันร้ายนอนหลับจะฝันดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนทำบุญนี่มีใครเกลียดไหมไม่มีใครเกลียดหรอกมีแต่คนรักคนชอบไปที่ไหนคนก็ยินดีต้อนรับพราะเอาของไปให้เขาเอาข้าวของเงินทองไปให้เขาอย่างตอนนี้ชาวลาวเดือดร้อนพวกเราก็ช่วยกัน ส่งข้าวส่งของอะไรไปช่วยเหลือเขาเขาจะโกรธจะเกลียดเราหรือเปล่าก็ไม่เกลียดเราเหรอกเพราะเราช่วยเขาให้ความสุขกับเขาคนที่ให้คนช่วยเหลือผู้อื่นคนที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่มีใครฆ่าด้วยอาวุธหรือ ยาพิษจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะจะไม่มีใครคิดร้ายคิดจะทาร้ายถ้าตายไปก็จะไปสู่สุกติไปสวรรค์ใช่สวรรค์ก็คือฝันดีฝันยาวตอนที่เราฝันตอนที่เรานอนหลับนี่เหมือนกับเป็นดูหนังตัวอย่างเราหลับไม่กี่ชั่วโมงฝันดีไม่กี่ชั่วโมงอันนี้เป็นเหมือนดูหนังตัวอย่าง พอเวลาเราตายเนี่ยเราจะฝันยาวเลยเพราะกว่าจะเราจะมาเกิดใหม่อีกทีไม่รู้อีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีช่วงนั้นจะเป็นช่วงดูหนังจริงถ้าเป็นบุญก็เป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์จริงเป็นบุญจริงถ้าฝันดีก็จะเป็นสวรรค์จริงไปยาวถ้าฝันร้ายก็จะเป็นอบายไปยาวเนี่ย นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาถ้าเรามีโอกาสได้เข้าวัดกันได้เข้าศึกษากันเราก็ต้องไปวัดที่มีการสั่งการสอนที่ถูกต้องที่มีสัมมาทิฏฐิที่สอนให้คนฟังแล้วเกิดความเข้าใจเกิดความศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตาม ถ้าวัดไหนสอนแล้วคนไม่ปฏิบัติไม่มีศรัทธาอยากจะปฏิบัติธรรมก็แสดงว่าล้มเหลวเหมือนคนขายประกันขายแล้วไม่มีคนซื้อคนที่ขายประกันต้องมีคนมีลูกค้าเยอะคนที่ขายคนขายประกันที่มีลูกค้าเยอะคือพูดเก่งอธิบายให้คนซื้อประกันให้เขามีความมั่นใจ ว่าซื้อประกันจากเขาแล้วจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรบ้างเขาจะวาดภาพให้เราเห็นเลยประกันก็มีผลหลายอย่างใช่ไหมถ้าเกิดภัยขึ้นมาก็ได้ได้รับการชดใช้การเสียหายถ้าเกิดไม่มีภยัยพอครบอายุก็ยังได้เงินคืนอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนขายประกันจะต้องมี มสามารถที่จะอธิบายให้คนซื้อถ้าเขาเข้าใจว่าเขาจะมีแต่ได้รับประโยชน์เขาก็อยากจะซื้อประกันวัดวาลามพระสงค์องค์เจ้าที่สั่งสอนที่ขายประกันของศาสน า, าพุทธก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักวิธีถ้าไม่สามารถที่จะแจกแจงอธิบายได้ว่าถ้ามาทำบุญกับพระพุทธศาสนาแล้ว จะได้อะไรกลับไปก็จะไม่ค่อยมีศรัทธามีความเชื่อกันก็จะไม่ซื้อกันหรือซื้อก็ซื้อเผื่อไว้หน่อยท่านเองแต่ไม่ซื้อแบบเต็มที่แทนที่จะซื้อทั้งร้อยก็ซื้อแค่สิบร้อยต่อสิบก็พอเผื่อเผื่อมันเป็นอย่างที่เ็าพูดแต่ยังไม่มีความแน่ใจมั่นใจ แต่ถ้าได้ไปพบกับพระอริยสงฆ์นี่ท่านจะพูดแบบให้เรานี่เกิดศรัทธาอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนา เ, ออเพราะจะอธิบายผลแต่ละผลจะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติแต่ละขั้นออทําบุญแล้วจะได้อะไรรักษาศีลแล้วจะได้อะไรภาวนาทำใจให้สงบแล้วจะได้อะไร จเจริญปัญญ า, าให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอริ ย, ยสัจสิ <c oughs> แล้วจะได้อะไรนี่อันนี้โดยสรุปก็คือจะได้ความสุขมากขึ้นจะกำจัดความทุกข์ให้น้อยลงไปตามลำดำับจนในใจนี้จะมีแต่ความสุขร้อยเปอร์เซนต์ความทุกข์หายไปหมด ตอนนี้ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาหาศาสนาพุทธนี้จะมีความสุขสิบปอร์เซนต์มีความทุกข์0ก้าสิบเปอร์เซนต์กันนะพวกเราเนี่ยทุกมากกว่าสุขเชื่อไหมวันวันหนึ่งเนี่ยทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลามันทุกจนชินเลยไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่เคยเจอความสุขจริงๆสักทีถ้าเจอความสุขจริงๆแล้วเวลาใจมันทุกนี้มันจะเห็นชัดเลย แต่ตอนนี้มันทุกตลอดเวลามันก็เลยไม่เห็นว่ามันทุกนแต่พอเราได้มาปฏิบัติเนี่ทําใจให้สงบแล้วเนี่ยใจจะมีความสุขมากความทุกข์หายไปหมดชั่วข่าวทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาเวลาไปสัมผัสกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สบายใจขึ้นมานิดก็รู้แล้วทุกเกิดขึ้นแล้ว แต่ตอนนี้เราไม่สบายใจตลอดวัน่เต้นขึ้นมาก็ไม่สบายใจแล้วบางทีเตน้นขึ้นมานอนหลับฝันไม่ดีก็ไม่สบายใจแล้วหรือเกิดขึ้นมามีอาการเจ็บตรงนั้นป Ł วดตรงนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วแล้วอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาจนชินกับมันจนคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาจะมาทนไม่ได้ก็ตอนที่เจอทุกข์หนักๆเท่านั้นเอง แต่ทุกเบาๆมันอยู่กับมันมาจนชินชามันจะมาทุกขแบบหนักๆดังั้นถึงจะรู้ว่าทุกขเช่นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเครียดหวาดกลัวกับอะไรสักอย่างหนึ่งกลัวจะถูกเขามายึดบ้านไปพอไม่สามารถที่จะผ่อนส่งให้เขาได้อันนี้มันถึงจะเห็นทุกข์ขึ้นมา นี่คือการการเป็นอยู่ของพวกเราตอนนี้จิตใจของพวกเรานี่ 90% ก้าสิเปรเซ็นต์จะทุกข์กันจะมีสิเปรเซ็นต์ที่จะสุขกันสุขก็เป็นสุขเดี๋ยวเดียวเวลาได้อะไรที่เราอยากได้มาก็สุขกันแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์โดยเมื่อรู้สึกตัวเพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วเราก็รักก็หวงก็หว่วงพอหวงก็ทุกข์แล้ว พอห่วก็ทุกข์อีกแล้วแต่เราไม่รู้ว่มเป็นทุกข์กันแล้วพอเสียสิ่งที่เราได้มาไปก็ทุกข์อีกตอนนี้จะรู้ว่าทุกข์แต่ก็ไม่เข็ดพอเสียอะไรไปก็ไปหาใหม่มาทดแทนพอของนี้เสียไปหายไปถ้ามีปัญญาก็ไปหามาใหม่ ก็ อ, อยู่โดยที่ไม่มีมันไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาคอยให้ความสุขแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ทางจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวเพราะได้มาแล้วก็ต้องหวงต้องห่วงแล้วก็เวลาเสียไปก็เสียใจอันนี้คือเรื่องของความทุกข์ต่างๆที่พวกเราอยู่กันมาอย่าง อย่างต่อเนื่องอยู่กันมาเป็นเวลายาวนานไม่แต่ไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นเราเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วเพราะร่างกายนี้มันเป็นเพียงของชั่วคราวที่เราเอาศัยใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ แล้วพอได้น่างกายอันใหม่เราก็มาทำแบบนี้มาหาลาบยศจรสรินมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันใหม่แล้วพอหามาได้แล้วก็ต้องมาหวงมาห่วงมาเครียดมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่ต้องพัดภาคจากสิ่งที่เราหามาได้ไป น, นี่คือสถานภาพของจิตใจของพวกเรา มีความทุกมากกว่ามีความสุขถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วท่านสอนให้เราทาบุญทาทานรักษาสีพาวนาถ้าเราเอาไปปฏิบัติตามได้เราจะเริ่มเห็นว่าทุกมันจะน้อยลงไปสุ ข, ขมันจะมากขึ้นไปทำบุญทาทานก็จะทำให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นทา รักษาศีลก็จะทำให้มีความทุกข์น้อยลงไปแล้วถ้าภาวนาฝึกจิตนั่งสมาธิทำจิตให้สงบได้ทุกข์ก็จะหายไปหมดเลยที่จะมีความสุขเต็มร้อยอยู่ภายในหัวใจถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราถึงจะมีความเชื่อในคำสอนของพระเจ้าอย่างเต็มร้อยต้องให้มันเห็นต้องให้ ให้จิตสงบสักครั้งหนึ่งแม้แต่แค่ชั่วงูแลบลิ้นะขอให้ได้ดูหนังตัวอย่างหรือให้ได้ชิมรสของแกงสักหยดเดียวไม่ต้องไม่ต้องคํานึ่งละเพียงแต่ขอหยดแกงหนึ่งหยดแตะที่ลิ้นจะรู้ว่าแกางนี้วิเศษขนาดไหนรสของแกงอันนี้วิเศษที่จะเป็นรสของแกงที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง ขอลองให้เราทําจิตให้สงบได้แม้แค่ชื่วงูแลบลิ้นเท่านั้นมันจะเห็นคุณค่าของธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลยทีนี้มันจะเกิดศรัทธาอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยอมันจะไม่เห็นอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่าเท่ากับรถแห่งธรรมที่เราได้รับสัมผัสจากการที่เราสามารถควบคุมจิตใจให้สงบได้ แมแค่เพียงเชือหนึ่งขณะท่านเองหนึ่งขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิเบื้องต้นทุกคนจะต้องผ่านคณิกะสมาธิก่อนอัปปนาสมาธินี่เป็นสมาธิที่ยาวนานสงบได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่ก่อนจะไปถึงอัปปนาสมาธิต้องผ่านคณิกะก่อนเอ ช่วงคณิกานี้มันเป็นช่วงเหมือนกับนักมวยต่อสู้กันผู้ปฏิบัติก็เป็นฝ่ายทำรรกิเลสก็ฝ่ายฝ่ายกิเลสเวลาต่อยกันยึดชกกันเนี่ยนานๆมันถึงจะล้มสักครั้งหนึ่งถึงจะนอนกับพื้นได้สักครั้งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันช่วงแรกๆนี้จะให้มันชกทีเดียวให้มันนอนแบบมันลุกไม่ขึ้นนี้ ต้องเก่งจริงๆสําหรับบางคนได้อยู่บางคนนั่งสมาธิครั้งแรกก็จิตเข้าอัปปนาไปเลยก็มีแสดงว่ามีกําลังมากแต่ถ้าหมัดไม่หนักหมัดเบานีดต่อยได้อย่างมากก็แค่นับแปดพอนับแปเดี๋ยวมันก็ยุนุกขึ้นมาต่ อ, อส่วนใหญ่ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆจึงยังไม่ได้อัปปนาสมาธิกันจะได้ก็คณิกะสมาธิจิตรวมลงไปปุ๊บ พอลงไปปุ๊บ ก, กิเลสมันก็ดันกลับขึ้นมาใหม่ ท, ทันทีแต่อย่างน้อยก็จะได้สัมผัสรับรู้ว่าเวลาจิตสงบเวลาที่กิเลสมันล้มลงไปนี่เป็นอย่างไรมันแสนจะเบา อ, อกเบาใจสุขสบายเหมือนหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยจะลองคิดว่านี่คือนิพพานอ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้เองเพียงแต่ว่านิพพานช่ววักเดียวหนังตัวอย่าง หนังตัวอย่างของพระนิพพานแต่พอเห็นแล้วเทนี้เชื่อแล้วเชื่อนิพพาน้ะอยากได้นิพพาน้ะอยากได้หลุดพ้นจากความทุกข์นะทีนี้ก็จะเริ่มทาบุญอย่างจริงจังนะรักษาศีลอย่างจริงจังภาวนาอย่างจริงจังเมื่อก่อนทำแบบมือสมัครเล่นว่างก็ทำมีโอกาสก็ทำแต่พอได้ สัมผัสกับผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติทีนี้จะเอากันอย่างจริงจังนะทีนี้ข้าวของเงินทองอะไรถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องเก็บไว้ก็ให้คนอื่นยกให้คนอื่นไปเก็บไว้เท่าที่จําเป็นถ้าไปบวชได้ก็ทิ้งหมดเลย ถ้าไปบวชเป็นพระได้ก็ไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองทําทานได้เต็มร้อยเลยมีเท่าไหร่ก็สละไปหมดศีลก็มารักษาอย่างเต็มที่เลยไม่ใช่แค่ศีลห้าศีลห้าศีล ส, ส, สิบศีล ส, ส, ส, สองรยบเจ็ดรักษาได้อย่างเต็มที่แล้วเทนี้ก็มีเวลาที่จะมาฝึกจิตควบคุมจิตทําจิตให้สงบได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนดับล พอทําอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมได้นานสงบได้นานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอจิตสงบได้นานก็มีกําลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้าหยุดกิเลสตัณหาได้ก็หยุดความทุกข์ได้แล้วถ้าจะอยากหยุดอย่างทาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่ากิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์เป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องไม่ทำตามกิเลสตัณหาโลภอยากได้อะไรก็ไม่เอาไม่ต้องการอะไรนอกจากของจำเป็นสำหรับร่างกายเท่านั้นก็คือปัจจัยสี่ก็ให้มันตามที่มันต้องการก็ไม่ให้มันมากกว่าที่มันต้องการให้มากเกินที่มันต้องการก็เป็นความโลภในแบบหนึง่ง แต่คนปฏิบัติจะรู้ว่าอะไรคือความต้องการอะไรคือความโลภพอโลภก็จะไม่เอาแต่ถ้ามันเป็นความจําเป็นเหมือนกินยาก็ต้องกินอาหารก็เป็นเหมือนยาของร่างกายเมื่อถึงเวลาก็กินตามเวลาอย่างนี้ไม่เป็นความโลภ ก, กินตามขนาดด้วยไม่ใช่เฉพาะตามเวลาหมอสั่งให้กินสองเม็ดแต่ไปกินด้วยกินสี่เม็ดอย่างนี้นีก่ก็โลภนะ ถ้าหมอสั่งสองเม็ดก็ต้องกินสองเม็ดสามเวลาก็ต้องสามเวลาสำหรับพระพระพุทธเจ้าสั่งให้กินเวลาเดียวหนึ่งมือ้อให้กินในบาตรฉันในบาตรแล้วก็ฉันให้พอประมาณไม่ให้อิ่มจนเกินไป น, นี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะพาให้เราได้รับ ความสุข ท, ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขต่างๆที่มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้มีการนี้จะสู้ความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเราก็ไม่อิจฉาเชื่อไหมเราไม่เห็นเคยอยากได้ความสุขแบบมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเลยต่อให้ซื้อเครื่องบินได้สิบลาซื้ออะไร ก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนั่งเฉยๆมันก็มีความสุขแล้วไม่เห็จะต้องไปนู่นมานี่เพื่อให้เกิดความสุขเป็นเศรษฐีแล้วก็้องเหนื่อยแล้วสิต้องเหนื่อยกับการใช้เงินนั่นสิต้องซื้อหาซื้อข้าวซื้อของซื้อมาเราก็ต้องเหนื่อยกับการใช้มันอีกซื้อเครื่องบินมาแล้วก็ต้องใช้มันพาให้เราไปเมืองนู่นเมืองนี้ไปแล้วก็ไปเสี่ยงกับการตกเครื่องบินอีกดีไม่ดี เป็นม้าเศรษฐีไม่นานตายไปก่อน น, นี่คือความสุขทางโลกสู้ความสุขทางธรรมไม่ได้ความสุขทางโลกก็จบเวลาตายไปก็จบแต่ความสุขทางธรรมนี้ไม่หมดร่างกายตายไปความสุขทางธรรมยังอยู่เพราะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจใจที่ไม่มีวันตายใจที่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่ อ, อีกต่อไป น, นี่คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของสถานที่ปฏิบัติธรรมบนเขาวันนี้มีโอกาสได้อธิบายให้ท่านได้ทราบบ้างอย่างถ้ามันลำบากบ้างเล็กน้อยก็ก็ขอให้เห็นใจห้องน้ำถ้ามันไม่พอใช้ก็ยืนเข้าคิวกันหรือไม่ฉะนั้นก็ขับรถลงไปหาห้องน้าที่วัดข้างล่าง ก่อนจะขึ้นมาถ้าต้องการจะใช้ห้องน้ําก็ใช้ห้องน้ําที่วัดข้างล่างก่อนเอข้างบนนี้เอาไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินเอมันกระทันหันต้องเข้าห้องน้ําอถ้าจะมาที่นี่ต้องขอความกรุณาถ่ายถ่าให้เรียบร้อยก่อน เนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ต้องมาก่อสร้างเพิ่มงั้นเดี๋ยวต้องสร้างห้องน้ําเพิ่มคนมาเยอะขึ้นก็ต้องสร้างห้องน้ําเพิ่มต้องขนน้ําขึ้นมาเพิ่มขึ้นเนีมันก็จะวุ่นวายมากขึ้นไปรถ ล, ลาก็จะวิ่งขึ้นมามากขึ้นเดี๋ยวรถถนนเสียก็ต้องมาส้มถนนอีกคนมากขึ้นมาเท่าไหร่มันก็จะมีงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็ บุญให้ฟังและขอความเห็นใจขอความเข้าใจว่าที่นี่พยายามที่จะไม่ให้มีการก่อสร้างอะไรให้มากเกินความจำเป็นอยู่กันตามมีตามเกิดเพราะการทำบุญทาทานการรักษาศีลการสั่งเทศสั่งธรรมนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมากมายมีหูฟังแล้วก็มีคนพูดท่านี้ก็ฟั่ ง, งทมได้นะ เอาลวนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาหาหรวะหาปุราปาลิกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกัก ป, ปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอะราโสยะธาเมณิโชตีอะราโสยะธาสัพพิตโยวิวาจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะ อัพิวาทนาสีลิตสะนิจังมุทธาประจายนูจัตตาโรธัมมะวทานติอายุวโนสุข้างภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่าจาก Facebook 424, YouTube 192 วิทยุออนไลน์น่าจะติดขัดมีปัญหาฮะเช็คไม่ได้แล้วก็รับฟังบนเขาเจ็ดสิบแปดรวมทั้งสิ้นห9ร้อยเก้าสิบสี่ท่านค่ ะ, คะวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษเาทางบนเขาทั้งทางบ้านยู่ทู YouTube ก็เกือบสองร้อยแล้วอย่างนี้เริ่มต้นก็สิบกว่ายี่สิบกว่าอย่างนี้คนได้ยินได้รู้จักมากขึ้นเฟซบุ๊กก็ยืนพื้น3ามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่า มาตลอดตอนนี้มีคนติดตามเฟซบุ๊กอยู่แสนเจ็ดนคนติดตามแสนเจวันหนึ่งเข้าถึงประมาณสามสี่หมื่นเข้าถึงไม่รู้ว่าคาว่าเข้าถึงหมายถึงอะไรคงรับรู้ว่ามีการถ่ายทอด น, นแต่อาจจะไม่ได้ดูที่ติดตามชมก็แปดเก้าพันนุ๊กแปดเก้าพันคนที่ ติดตามชมอาจจะชมภายหลังมไม่ได้ทาไม่ได้ชมตอนถ่ายทอสดสดถ่ายทอสดสดมันมันก็มันก็แจ้งขึ้นมาในขณะนี้ขณะนี้สามร้อยเก้าสิบกว่าใช่ไหมสามร้อยเก้าสิบกว่าแล้วสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าใครมีคาถามอยากจะถามก็เชิญถามไดม้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษขึ้นมาก็ได้ เราจะให้พิธีกรอ่านให้คนที่ชอบเขียนคำถามในเฟซท่านแม่ถามเองวันนี้มาถึงมาถึงที่แล้วชอบถามในเฟซเขียนถามมาเรื่อยไม่มีก็ไม่เป็นไรล ะ, ะเราเอาคำถามที่ส่งมาทาง YouTube หรือเฟซก่อนก็ได้ คำถามแรกจากเ c e b o o k นะคะคุณสิริสิริความรักชังที่อยู่ในใจทำอย่างไรจึงจะกำจัดออกจากความคิดออกจากจิตใจได้เพราะมันจะแวบขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยๆอ๋อก็ต้องทำใจให้สงบนะต้องฝึกสมาธิให้มากเวลาจิตสงบนี่ความรักชังโกลหลงจะหายไปอ่ะอำนาจของสติสตินี่จะเป็นตัวที่จะ ทำให้กดมันไว้กดความรักความชังความกลัวความหลงไม่โผล่ขึ้นมาแต่มันไม่สามารถทำลายมันได้จะทำลายต้องทำลายด้วยปัญญาปัญญาจะเห็นว่าโลภไม่ดีโลภแล้วทุกอโกรธไม่ดีโกรธแล้วทุกกลัวไม่ดีกลัวแล้วทุกหลงไม่ดีหลงแล้วทุก คำถามต่อไปจกคุณบุญเสริมเรียนถามพระอาจารย์ครับตานอกกับตาในตานอกคือตาที่มองเห็นทั่วไปตาในคือปัญญาเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ไม่ถูกเต็มที่หรอกตาในจริงๆคือจิตผู้รู้ผู้รู้คือตาในส่วนปัญญานี้เป็นความรู้ความรู้ทั้งเกี่ยวทั้งภายนอกและภายใน ปัญญาภายนอกก็ปัญญาที่เราเรียนตามโรงเรียนต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆอันนี้ปัญญานอกเราเรียนวิธีรักษาร่างกายเป็นหมอเราเรียนวิธีก่อบ้านสร้างถนนสร้างโรงแรม อ, อันนี้ก็เป็นวิศวกรรม อ, อันนี้เป็นปัญญาภายนอกปัญญาภายในก็ การเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm. เรียกว่าปัญญาภายในแต่ตาที่เห็นนี้คือตาในก็คือใจผู้รู้ตอนนี้ตาในถูกปิดเอาไว้ด้วยความหลงทําให้ไม่เห็นความจริงเลยต้องอาศัยปัญญามาเปิดตาในปัญญาจะสอนให้ใจเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดก็ทุกข์กันได้เงินมาก็ดีใจพอเงินหมดก็ทุกข์กันแล้วก็ไปห้ามมันไม่ให้หมดไม่ได้อนัตตาเราไม่สามารถห้ามสิ่งต่างๆที่เราได้มาให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีการจากเราไปเราเรียกว่าอนัตตาอนิจังทุกขังอนัตตา สิ่งทุกงทกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเรามีความสงบคำถามต่อไปขอเรียนถามถ้าสื่อสินห้าแล้วฝันบอกเรื่องฝันเกี่ยวกับเลขหวยกับพ่อแม่ให้ซื้อผิดสินหรือบาปไหมครับ ะไม่ไหมเนี่ยถ้าฝันถึงเลขถ้าถือศีลห้าแล้วฝันบอกเรื่องฝันเกี่ยวกับเลขหวยกับพ่อกับแม่ให้ซื้อจะผิดศีลหรือบาปไหมครับก็มันไม่ได้ไปทำผิดศีลมันก็ไม่บาปนะศีลมันมีไม่ให้ฆ่าไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ไปพูดผิดประเวณีไม่โกหกไม่ดื่มสรารยาเมาไปซื้อหวยมันก็ไม่ได้ทาผิดศีล เพียงแต่ว่าการเล่นหวยมันอาจจะทำให้เราทำผิดศีลต่อไปได้ถ้าเล่นแล้วเจ๊งไม่มีเงินก็อาจจะต้องไปขโมยเงินคนอื่นมาเล่นต่อไปคำถามต่อไปจากคุณการเมื่อถึงวาระละสังขารแล้วเข้าสู่ความฝันฝันยาวตื่นไม่ได้แล้วจิตระลึกได้อยากจะตื่นแล้วตื่นไม่ได้ ถึงตอนนั้นจะแก้จิตบอกจิตอย่างไรไม่ให้กลัวหรือวิตกแก้ไม่ได้แล้วเหมือนตอนฝันเราไปแก้ได้ที่ไหนตอนที่เรานอนหลับเราไปสั่งให้มันฝันไม่ฝันนี้ไม่ดีเปลี่ยนฝันได้ไหมมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่ามันฝันมันคิดว่าเป็นเรื่องจริงเวลาที่เราฝันนี่เราตอนที่ฝันนี่เราคิดว่ามันเราเรากําลังอยู่ในโลกของความจริงจะมารู้ว่าเป็นความฝันก็ต่อตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้ว พอตื่นขึ้นมาแล้วบอกเอ้เมื่อกี้นี้ฝันไปเนี่ยวะทําไมมันเหมือนจริงเลยเองั้นขณะตอนที่เราอยู่ในฝันเราก็จะเราก็ฝันไปแก้ปัญหาของเราในฝันไปตามนิสัยของเราเคยแก้ปัญหาด้วยการเดิ่มโซดามันก็จะไปเดื่มโซดาเคยแก้ปัญหาด้วยการไปโกหกมันก็จะไปโกหกในฝันนั่นแหละมันก็เหมือนตื่นจริงๆนั่นแหละแต่ช่วงนั้นเราไม่มีสติที่จะไปควบคุมบังคับมันทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตาม ตามฟรีสไตล์แบบขับรถแบบไม่มีไม่มีการควบคุมบังคับรถมันจะบังคับควบคุมของมันเองตามโปรแกรมที่มันได้ถูกโปรแกรมเอาไว้จิตของเราเวลาที่เรานอนหลับหรือตายไปนี้ก็มันก็จะทํางานตามตามโปรแกรมที่เราได้ตั้งเอาไว้โปรแกรมก็คือการกระทําต่างๆที่เราทําในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้เรากําลังตั้งโปรแกรมกันอยู่ตั้งโปรแกรมให้มันทํางานเวลาที่เราฝัน ถ้าเราตั้งโปรแกรมให้มันขโมยมันก็จะฝันไปเรื่องขโมยถ้าตั้งโปรแกรมให้เรื่องไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมมันก็จะไปทางนั้นแล้วแต่เราจะต้องตั้งโปรแกรมอย่างไรถึงเวลามันก็จะทําตามโปรแกรมที่เราตั้งเอาไว้คําถามต่อไปจะคุณพีโกพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพานหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงไม่มีรูปขนันแต่นามขนันหรือขันสี่ ยังมีอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่อแต่ท่านไม่ได้ใช้มันนั้นน่ะท่านก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้อะไรมันไม่ต้องติดต่อกับใครนอกจากถ้าท่านต้องการจะติดต่อกับใครท่านก็สามารถใช้ขันนั้นติดต่อได้อย่างหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่ามีพระอาหารหันต์มีพระพุทธเจ้ามาโปรดมาสแสดงธรรมให้กับท่านอแสดงว่าพระพุทธเจ้าอาจจะเคยรู้จักกับหลวงปู่มั่นมาก่อนในอดีตเคยมีความสัมพันธ์ กเกี่ยวข้องกันก็เลยคิดถึงกันเป็นห่วงเป็นใ ย, ยกันก็เลยส่งจิตมาดูว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนพอเห็นว่ากําลังนั่งสมาธิอยู่ก็เลยสามารถติดต่อกันได้ถ้าส่งจิตมาแล้วเรากาลังทำอะไรอยู่นี่เราก็จะรับท่านไม่ได้ต้องนับตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วตอนที่เรานอนหลับนอนหลับเราอาจจะฝันว่ามีพระพุทธเจ้ามาปวดเราก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณทวิชาจิตสงบถึงจุดไหนถึงจะมาเจริญปัญญาได้คะและวิธีเจริญปัญญาจะเจริญอย่างไรคะอ๋อมันรู้เองจะเจริญได้เมื่อไหร่กให้ไปถึงจุดนั้นก่อนก็นแล้วกันสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นไปฝึกสติไปนั่งสมาธิดีกว่าพอจิตมันสงบมันก็จะรู้เองว่ามันจะ จะเล่นปัญญาได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะความสงบมันจะเป็นผู้สนับสนุนให้จิตเราคิดไปทางปัญญาได้มากน้อยสงบน้อยก็คิดไปได้ไม่นานเดี๋ยวกิเลสมันก็เด้งไปคิดเรื่องอื่นต่อ งั้นมันจะรู้ของมันได้อัตโนมัติเหมือนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วจะรู้ว่ามีกําลังไปทํางานได้กี่ชั่วโมงกินข้าวชามนึงจะทําทได้กี่ชั่วโมงกินข้าวสองชามจะทํางานได้กี่ชั่วโมงนันมันรู้เองงั้นไม่ต้องถามปฏิบัติเนี่ยพูดไปก็เดี๋ยวก็เลยพูดไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอยู่ดีงั้นขอให้ทำจิตให้สงบก็แล้วกัน แล้วเวลาจิตออกมาจากความสงบมันก็จะรู้ว่าจะใช้ปัญญาได้หรือไม่มคำถามต่อไปจะคุณวสันต์สังขารในปฏิจจสมุปบาทกับสังขารในขันห้าคือตัวเดียวกันหรือไม่เนื่องจากสังขารในปฏิจจสมุปบาทเกิดก่อนนามรูปแต่สังขารในขันห้าอยู่ในขันหรืออยู่ในนามรูปจึงไม่แน่ใจว่าคือตัวเดียวกันหรือไม่ ขอช่วยอธิบายด้วยครับตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดก่อนเกิดหลังมันมีมาอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมสังขารตอนนี้มันมาอยู่กับจิตมันมีอวิชชาเป็นตัวสั่งการตัวสอนให้มันคิดปรุงแต่งไปทางอาวิชชาคือทางหาความหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมมันไม่มีก่อนมาหลังมันตัวเดียวกันเนี คำถามต่อไปจะคุณมังกรทองเมื่อต้องอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานลบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงควรต้องปฏิบัติตัวเช่นไรครับถึงจะรักษาใจเราให้สงบได้เพราะตายยังเห็นและหูยังได้ยินกิริยาเชิงลบเหล่านั้นก็ ต, ต้องฝึกอุเบกขาฝึกสติพุโทโธพุโทโธไป เวลาเห็นอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เราเห็นใจเราก็จะเฉยเขาจะทำอะไรจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาที่ที่เราไม่ไม่เฉยเพราะเราไม่มีสติดึงใจไว้พอเขาพูดอะไรไม่ดีก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาพูดดีก็เกิดอารมณ์อีกอย่างขึ้นมาคือเราไป คอยรับรู้คอยไปสนใจแล้วก็คอยไปมีปฏิกริยากับการกระทาของเขาเราต้องดึงใจของเราออกให้รู้เฉยๆรู้แล้วก็ดึงใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธคำถามต่อไปจากคุณเศรษฐวุฒิสอบถามเรื่องพระโสดาบันครับคือเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติหมายถึงอะไรครับคือเกิดเป็นมนุษย์สลับกับเทวดาหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวครับ หรือตายแล้วแล้วเกิดต่อหรือเปล่าครับก็ไม่รู้หละเจ็ดชาติน่ะจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกคือให้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันจะมีไม่เกินเจ็ดเจ็ดครั้งเท่านั้นเองจะไปนับยังไงก็ได้คำถามต่อไปจากคุณสุริยาถ้าเราต้องทำงานกับคนที่ชอบติเตียนผู้อื่นรวมถึงผมเอง จะมีวิธีรับมืออย่างไรให้ใจสงบและไม่มีโทสะตอบสนองเขาครับก็เป็นเรื่องของเขานะเราไปยุ่งกับเขาเอง ก, ก็สอนตัวเราหนึ่งตัวเราออกว่าอย่าไปสนใจเรื่องการพูดการกระทาของคนอื่นดีชั่วอยู่ที่เขาเขาดีก็เขาก็ดีเขาชั่วเขาก็ชั่วเราไม่ได้รับผลดีชั่วจากการกระทาการพูดของเขาเรา เรารับการกระทำจากการกระทำของเราเราเขาชั่วแล้วเราก็ไปชั่วตามเขาเราก็อย่าไปชั่วตามเขาเขาไม่ดีเราก็ไปโกรธเขานี่เราก็ไม่ดีเท่ากับเขาเลยเขาไม่ดีก็ปล่อยเขาไม่ดี ไ, ด ไ, ดไปเราอย่าไปโกรธเขาเราห้ามความโกรธด้วยการใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคำถามต่อไปจากคุณสเตล่า ลูกรู้สึกจิตใจลูกมีสองฝักสองฝ่ายต้นเรื่องคือลูกมีความตั้งใจทําบุญทําทานถวายอาหารและปัจจัยทุกครั้งแล้วก็ทำสม่ำเสมอลูกมีความเบิกบานใจที่จะสละทรัพย์สินข้าวของแต่เหมือนอีกจิตหนึ่งของลูกยังมีความคิดติดกิเลสว่าอยากบุญเยอะลูกรู้สึกบาปว่าลูกทำบุญหวังผล คอยสอนใจตัวเองอย่าคิดอย่าคิดจนร้องไห้เหมือนตัวเองไม่บริสุทธิ์ใจค่ะก็อย่าไปฝืนมันเพียงแต่คอยสอนด้วยความจริงก็แล้วกันว่าเราทําบุญนี่เราไม่ต้องไปหวังอะไรมันมีผลในตัวมันเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารมันผลที่เราได้รับก็คือความอิ่ม ส่วนพลนอย่างอื่นมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารขอไปก็ไม่ได้อยู่ดีงั้นมันอยากจะขอก็ปล่อยมันขอไปเราทุกข์เพราะว่าเราอยากจะให้มันไม่คิดอย่างนั้นทีนี้เราเคยคิดอย่างนั้นก็มันก็คิดมันก็ต้องคิดของมันไปแต่เราสอนมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกคิดเองเดี๋ยวมันก็เข้าใจมันก็จะหยุดคิดเอง ตอนนี้มันยังอยากจะคิดยังอยากจะได้ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะทำบุญนี้มันได้ความอิ่มใจสุขใจส่วนของอย่างอื่นอาจจะได้อาจจะไม่ได้อันนี้เป็นผลพลอยได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันคำถามต่อไปจากคุณแบงค์นัชชาตอนเรานั่งวิปัสสนาจิตเราสงบแล้วแล้วเราเริ่มที่จะเจริญปัญญาเราจะทราบได้อย่างไรเจ้าคะ ว่าที่เราสัมผัสคือปัญญาที่แท้จริงจากภายในหรือเป็นแค่สัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมา อ, อ๋อปัญญาเบื้องต้นนี้มันเป็นปัญญาแบบทำการบ้านเข้าใจไหม อ, อ่ายังไม่มีผลอะไรมันจะมีผลต่อเมื่อเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราใช้ปัญญาที่เราได้เจริญมานี่มาดับความทุกข์ได้ถึงจะรู้ว่าเป็นปัญญา เช่นเวลาใครด่าเรานี้แล้วเราไม่โกรธเขาหรือโกรธเขาปั๊บแล้วก็หยุดได้เอย่างเนี้เรียกว่าเป็นปัญญาเช่นเราพิจารณาก่อนว่าเราอยู่ในโลกนี้มันมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทามีทั้งคำชมมีทั้งคำด่ามันเป็นอนัตตาคือเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เหมือนเสียงลมพัดเนี่เราไปห้ามมันไม่ได้มันจะพัดมันก็พัดมันจะหยุดมันก็หยุดน เสียงปากคนก็แบบเดียวกัน เ, ออเขาจะด่าก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะชมก็ห้ามเขาไม่ได้ อ, อันี่คือการสอนใจเรียวกว่าทาการบ้านเตรียมเตรมเตรมรับกับข้อสอบนี่พอเราไปเจอคนเขาด่าเราปับ๊บ เ, เราโกรธขึ้นมาหรือเปล่าเสียใจขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเสียใจโกรธถ้าเรามีปัญญาแล้วก็บอกให้มันเราห้ามเขาไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ เ, ออเราก็จะไม่โกรธเราก็จะไม่เสียใจเ อ, อ เวลาเขาชมเราก็เหมือนกันถ้าเราเขาชมเราดีใจอันนี้ก็นี่ก็ผิดอีกแล้วก็ต้องเฉยเหมือนกันเขาจะชมหรือไม่ชมก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าไปชอบความชมเดี๋ยวเกิดเขาไม่ชมเราก็เสียใจอีกถ้าไม่ไปชอบคาําด่าพอเขาดา่าเราก็จะเสียใจอัอนนี้เป็นการฝึกก่อนสอนก่อน ซอมก่อนเหมือนนั่งมวยก็ซ้อมชกข้างล่างก่อนชกกับคู่ซ้อมก่อนแล้วจะรู้ว่าชนะไม่ชนะก็ตอนขึ้นไปบนเวทีนั่นแหละถ้าชนะก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เราชนะความโกรธะเราชนะความกลัวละอันนี้การการฝึกปัญญาเบื้องต้นนี้เป็นการเป็นการสอนใจเป็นการทำการบ้านเป็นการเตรียมใจ จะรู้ว่าเป็นปัญญาหรือไม่ก็ต่อเมื่อตอนที่เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจแล้วเราสามารถเอาปัญญานี้มาสอนใจให้ให้ดับความทุกข์ได้ถ้าดับได้ก็แสดงว่าเป็นปัญญาดับได้แล้วต่อไปความทุกข์นั้นจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะเรารู้ทันมันแล้วรู้ว่ามันความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เขาดา่าอยู่ที่ความอยากให้เขาไม่ด่าเราต่างหาก ต่อไปนี้เราจะไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราเรายินดีให้เขาดา่าอยากจะด่าเท่าไหร่ด่าไปให้ปากเปียกฉีกให้มันปากเมื่อยไปเลยทำตัวเราเหมือนต้นเสาดูเลยเราให้เขาดา่าต้นเสาดูสักชั่วโมงเดี๋ยวเขาหยุดเองเะยทำเป็นหูทวนลมให้คาถามต่อไปจะคุณพิญญารักษ์เคยนั่งสมาธิรู้สึกอิ่มเ อ, อิบมีความสุข แม้ไม่นั่งอยู่ได้สัปดาห์อย่างนี้เรียกสมาธิเบื้องต้นใช่ไหมครับอถ้าสุขอิ่มเอิบใจก็เป็นสมาธิขณะที่สุขอิ่มเอิบใจอยากไปใช้ปัญญาตอนนั้นต้องการให้มันสุขอิ่มเอิบใจเป็นนา น, านเป็นเวลากินอาหารของใจหรือเป็นเวล า, าพักผ่อนของใจอย่าเอาใจไปทํางานในตอนนั้น เ, ออเหมือนเวลาที่เติมน้ํามันรถในกําลังเติมน้ํามันรถอย่าขับรถออกไปจากปั๊ม เราขับออกไปน้ํามันก็ไม่เข้าถังนะต้องรอให้มันเต็มถังก่อนแล้วค่อยไปใช่ไหมเวลานั่งสมาธิเวลาจิตสงบนี้อย่าพึ่งไปพิจารณาทางปัญญารอให้มันออกจากความสงบก่อนออกจากความสงบหมายถึงว่ามันอิ่มแล้วมันพอกับความสงบแล้วถ้าเป็นน้ํามันก็เติมเต็ ม, ตมถังแล้วทีนี้พอเติมเต็มถังแล้วก็ทีนี้ก็ขับไปได้แล้วเหตนั้นเวลาจะใช้ปัญญานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าพอจิตสงบปั๊บพิจารณาปัญญาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะไม่มีกำลังจะพิจารณาไม่มีน้ำมันให้รถวิง่งพอไปถึงปั๊มพอเด็กปัมเด็กปั๊มเปิด เ, เปิดเปิดฝาเอาเอาเอาท่อใส่เข้าไปในปั้ม พขไปในรถในในในรถพอจะฉีดน้ํามันเข้ารถแเรวก็ขับรถออกไปเลยอ่าเติมน้ํามันแล้วเนี่ยว่าแต่เติมได้2หยดเท่านั้นเองเดี๋ยวก็วิ่งไปไม่ถึงไม่พ้นปั๊มมันก็จอดอีกอะอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนเข้าใจผิดอย่างนั้นพอนั่งสมาธิจิตสงบปั๊บนี่จะต้องพิจารณาปัญญาทันทีไม่ใช่ต้องเติมให้มันอิ่มให้เต็มที่ก่อนให้มันสงบจนกระทั่งมันออกจากความสงบมาแล้ว ทีนี้แหะพอมันเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถึงใช่เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดทางปัญญาถ้าเราไม่ดึงมันจะไม่ไปทางปัญญาถึงแม้จะมีสมาธิมันไม่ไปเราต้องดึงต้องบังคับให้มันพิจรารณาตายลักอให้พิจรารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าอยากให้มันเป็นไปตามความอยากจะทําให้เราทุกข์เพราะมันจะเราไม่สามารถสั่งมันได้ทุกครั้งไป นนคือปัญญาคำถามต่อไปจากคุณอูคอร์รัปชันรับเงินจากผู้อื่นแล้วช่วยเหลือผู้นั้นไม่ใช่การลักทรัพย์โดยตรงแต่ถือว่าผิดธรรมข้อไหนคะก็แล้วแต่ว่ามันคอร์รัปชันแบบไหนถ้าเขาให้เงินเราแล้วเรานับใช้เขามันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันออมันก็ไม่ได้เป็นการลักทรัพย์ มันอาจจะไปรักทรัพย์ของบริษัทหรือสถานที่ที่เราทำงานด้วยแทนที่จะเอาทรัพย์เข้าบริษัทเราเข้ากระเป๋าเราเพราะเราเป็นลูกจ้างของบริษัทรายได้ที่เราได้คนจะเป็นรายได้ของบริษัทพะเราเอาเวลาของบริษัทมาใช้ถ้าเราไปทำนอกเวลาก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นก็มีคนเข้ามาขอร้องให้เราช่วยเหล๋ยวทงานบางชิ้น เวลาที่เราเลิกงานแล้วเราทำแล้วเขาจ่ายเงินให้เราอันนี้ก็ไม่ถือว่าคอร์รัปชันใช่ั้ยแต่ถ้าเราทำทำในเวลาที่เราทำงานเนียอันนี้เรียกว่าคอร์รัปชันเพราะว่าเอาเวลาของบริษัทของนายจ้างไปใช้ให้เป็นเกิดประโยชน์กับเราไม่ได้เกิดกับบริษัทเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณเด่น นั่งสมาธิแล้วถอดจิตได้สามารถเกิดขึ้นได้ไหมครับแล้วอันตรายไหมครับไม่มีไม่มีการถอดจิตจิตจะถอดไปไว้ที่ไหนล่ะมันไม่ใช่เสื้อผ้านี่นึงอยากจะถอดก็ถอดออกมาการนั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบให้นิ่งให้มันแยกออกจากร่างกาย มันจะให้ปล่อยวางร่างกายชั่วข่าวเวลาจิตสงบวิญญาณจะไม่ออกไปรับดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลานั่งสมาธิเราจะดึงสายวิญญาณให้กลับเข้ามาข้างในเหนมือนถอดปลั๊กทีวีเงี้ยพอถอดปลั๊กทีวีทีวีก็เปิดไม่ได้ก็จะเห็นแต่จอไม่เห็นภาพในจอนเวลานั่งสมาธิจิตสงบเราก็ถอดปลัก๊กรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่เข้ามาในใจ ใจก็จะอยู่กับความว่างเพียงอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าถอดถอดออกจากร่างกายถอดปลั๊กถอดสายวิญญาณทั้งห้าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ถอดออกมันถอดปลั๊กพวกนี้ออกจะเรียกว่าถอดจิตก็ถอดแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบถอดแบบเสื้อผ้าไม่ได้การนั่งสมาธิก็เพื่อทำใจิตให้สงบเวลาจิตสงบก็ถือว่าถอดถอดปลั๊ก ไม่รับรู้เรื่องทางร่างกายหรือถ้ารับรู้ก็ไม่มีอารมณ์บางทีไม่ได้ถอดออกจากเต็มที่ยังรับรู้เรื่องอยู่แต่ใจไม่มีอารมณ์กับเรื่องที่ได้รับรู้ร่างกายเจ็บก็ไม่มีอารมณ์กับมันไม่รู้สึกอะไรได้ยินเสียงก็ไม่ลำคาญอย่างนี้เป็นต้นเป็นอุเบกขาคำถามหมดแล้วค่ ะ, ะหมดแล้วนี่ก็พักกินน้าเดียว เดี๋ยวรอคำถามใหม่ใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามได้นะเจอนเอาตามสบายไม่เป็นไรราถามได้เลยเราฟังอยู่กินได้ครับนักการละมา ส, สการพระอาจารย์ครับคือที่พระอาจารย์เทศเมื่อสักครู่นี้เรื่องว่าที่ทำสมาธิอยู่จนจิตสงบแล้วก็ให้จิตอิ่ม แล้วเนี่ยล้วค่อยถึงจะพิจารณาปัญญาตรงนี้เนี่ยคาว่าจิตหลังจากจิตอิ่มแล้วเนี่ยก็คือว่าเราควรจะพิจารณาในแง่ปัญญาเนี่ยทั้งที่หลับตาในในท่านนั่งสมาธิอยู่หรือว่าควรจะลุกออกมาแล้วก็ได้ทั้งสองอย่างอยาอจะนั่งพิจารณ า, รณาก็ได้อยากจะเดินออกมาเดินจงกรมพิจารณาก็ได้ คำยาอยากจะออกมามากกว่าเพราะมันนั่งมานานแล้วมันไม่อยากจะนั่งแล้วก่เลยมันจะผักแล้วมันจะเริ่มรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็เลยต้องลุกขึ้นมาเดินเริ่มลุกเมื่อเปลี่ยนยาปวดยืนเนื้ออะไ ร, รแล้วตอนนั้นก็มาพิจารณาอันนี้จังเช่นร่างกายว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้ ทำได้ทั้งในท่าไหนก็ได้ถ้าเจาริญปัญญานี่อยู่ในที่ไหนเวลาไหนพิจารณาได้ตอนนี้ก็พิจารณาได้ครับ อ, อ, อย่างการพิจารณา อ, อ, อสุภะครับถ้าเราไม่หลับตานั่งอยู่ในท่าสมาธิเราก็ไม่สามารถนึกถึงหรือว่าคล้ายๆ้ากับนิมิตให้เห็นร่างกายเราเราเน่าเปื่อยได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่ก็ควรจะพิจารณาตอนในชาตินั่งสมาธิอยู่หรือเปล่าครับไม่จำจ<ะ>เป็นนะเดี๋ยวนี้มีภาพให้เราดูนี่าตไปเปิดหนังสือดูก็ได้ครับดูแล้วก็จํามันไว้เท่านั้นเองครับที่ให้ไปดูป่าช้าสมัยก่อนเพราะมันไม่มีภาพให้ดู mm. ก็เลยต้องไปดูป่าชา้า mm. ไปดูคนตายสมัยก่อนเขาทิ้งศพไว้เขาไม่เผาเขาไม่ฝัง mm. ไปดูสุภาพไปดูร่างกายเวลามันตายแล้วเป็นยังไงแล้วก็มาจําไว้นึกถึงภาพเหล่านั้น เข้าใจไหมจะนึกตอนไหนก็ได้นึกตอนนั่งหลับตาก็ได้นึกตอนลืมตาก็ได้ตอนนี้นึกตอนนี้ก็นึกได้เอนึกถึงเงินในธนาคารยังนึกได้ไม่เห็นต้องนั่งหลับตานอะใช่ไหมนี่จะเช็คบัญชีทีก็ต้องไม่นั่งหลับตาทีคอยมันจําได้ให้มันนึกจนมันจําได้ไม่ลืมเห็นร่างกายทีไรก็เห็นเป็นสร้างสุขทันทีอย่างเนี้ยเรียกว่าเห็นนรสุภาเข้าใจมเอม ค่ะมีคำถามเข้ามาแล้วนะคะจากคุณ a ออหนูกับแฟนชอบพากันไปทำบุญปฏิบัติธรรมตลอดแต่เวลาก่อนจะไปทำบุญทุกครั้งจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันทุกครั้งไม่รู้ทำไมแต่ก็พากันไปจนถึงวัดทุกครั้ง แบบนี้เราจะได้บุญหรือบาปเจ้าคะมันไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องทะเลาะกันมันทะเลาะกันได้ทุกเวลานอะไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาทําบุญหรอกถ้าคุณสังเกตดูจะกินข้าวบางทีก็ทะเลาะกันได้จะนอนบางทีก็ยังทะเลาะกันได้ดังนั้นมันไม่มันไม่เกี่ยวกันว่ามันจะต้องทะเลาะกันตอนที่เราไปทําบุญอย่างเดียว อาจจะเป็นเพราะคนหนึ่งไม่อยากไปคนอยากไปก็ได้มันก็เลยทะเลาะกันเรื่องทะเลาะกับเรื่องทําบุญเปนคนละเรื่องกันเข้าใจไหมอย่าไปเอาแพะมาชนแกะะทะเลาะกันก็ไปทําบุญได้ทําบุญก็ได้บุญด้วยกันมันไม่เกี่ยวกับว่าทะเลาะหรือไม่ทะเลาะคําถามต่อไปจะคุณพีโกพระอนาคามีพระโสดาบันถ้าไม่ตั้งใจ แต่ทำร้ายถึงกับตายวิบากของผู้กระทําจะร้ายแรงแค่ไหนครับหนึ่งผู้กระทารู้หรือไม่รู้รู้ก็เหมือนกับทําร้ายแหล่งความรู้อันวิเศษแทนที่จะได้ศึกษาจากท่านก็กลับไปทําร้ายท่านฉะนั้นคนที่รู้เราวทำเนี่ยถึงจะบาปจะบาปเท่ากับฆ่าผ้าละหันหรือไม่ก็ก็คุณไม่เท่ากันเนี่ย ผ้าหลานนี่มีมีคุณมีความรู้มากกว่าพผ้านาคามีเหมือนค่าด็อกเตอร์กับคนจบปริญญาเอกกับค่าคนจบปริญญาโทเนี่ยก็มันก็แบบว่ามันทําลายของที่มีคุณค่าไม่เท่ากันถ้าสารตัดสินตามคุณค่าโทษก็ต้องหนักเบาไม่เท่ากันเช่นลักทรัพย์แสนหนึ่งกับลักทรัพย์หนึ่งหนึ่งพันนี่โทษอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ รับซักหนึ่งปันอาจจะจำคุกเจ็ดวันรักทรัพย์หนึ่งแสนอาจจะจำคุกหนึ่งเดือนอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราไปค่าพะระระยะบุคคลแต่ละองค์นี้ท่านมีคุณค่าไม่เท่ากันมีคุณค่าคือความรู้ที่จะมาสอนเราไม่เท่ากันเราะฉนั้นเราไปทาร้ายคนที่มีคุณค่านี้บาปโทษหนัก กว่าไปทำร้ายกับคนที่ไม่มีคุณค่าเช่นไปฆ่าขโมยเนี่ยโทษไม่หนักตำรวจไปยิงขโมยตายเนี่ยไม่หนักกับเหมือนกับไปยิงพระอริยเจ้าตายคำถามต่อไปจะคุณทันทิพย์ ถ้าเกิดลูกเกิดมาอาการไม่ครบสามสิบสองทำกรรมอะไรมาร่วมกันคะแล้วทําแบบไหนจะแก้กรรมได้ไหมคะ อ, อ๋อเป็นกรรมของเขาไม่ได้กรรมของเราชาติก่อนเขาอาจจะไปทําร้ายสัตว์ตัดแข้งตัดขาสัตว์หรือทําร้ายคนนั่นคนนี้ให้เขาพี่กลนพิการพอชาตินี้มาเกิดก็เลยต้องมาใช้กรรมที่ตนเองได้ทําไว้ คำถามต่อไปจะคุณจมูกมดตอนพ่อมีชีวิตอยู่เคยทำไม่ดีกับท่านพอท่านเสียไปรู้สึกเสียใจเป็นตราบาปอยู่ในใจตลอดทำอย่างไรดีคะก็เอาตราบาปนี้มาสอนใจว่าต่อไปอย่าทำนะแต่ที่ทำไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็ต้องรองรับผลบาปที่เราทำไว้แต่ถ้าเราเอา ตาบาปนี้มาคอยเตือนใจสอนใจเราจะได้ไม่ทำบาปใหม่แล้วผลของบาปใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกต่อไปคำถามต่อไปจะคุณนิคมเรื่องความฝันหากบุคคลที่ปฏิบัติทำแล้วไม่ฝันนั้นหมายความว่าจะไปในทางสุขติหรือไม่ครับคือบางทีเราฝันแต่เราไม่รู้ฝันแล้วมาว่าเตือน ข, นขึ้นมาก็ลืมไปทันทีเลยเพราะบางทีเราเตือนปับ๊บจิตเราพุ่งไปที่ ที่ว่าวันนี้จะไปทำอะไรแล้วดูในเรกาดูอะไรต่างๆบางที่ฝันอยู่แต่มันฝันแบบอาจจะไม่ไม่หนักไม่แรงมันเลยไม่ประทับใจตรงที่ต้องฝันแบบหนักๆแรงๆเรื่องใหญ่ๆฝันแล้วมันจะจำได้แต่จำได้เดี๋ยวๆเนี่ยพอตื่นขึ้นมาปับ๊บเดี๋ยวหายไปแล้วอยากจะกลับไปเมื่อกี้ฝันอะไรลืมไปละ อันนี้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่เราฝันกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราฝันกันเพราะเราตื่นขึ้นมาเราก็ลืมเหมือนละ่ะเนั้นม่นอยากไปกังวลคือการฝันหรือไม่ฝันนี่มันมันไม่แน่นอนไม่ได้นนมไดหมายความว่าเราไม่ได้ฝัน ถ้าไม่ได้ฝันก็บอกบางวันบางวันมันอาจจะเหนื่อยจิตมันเหนื่อยมันก็เลยขี้เกียจฝันก็ได้นั้นมันมีหลายสาเหตุทำไมถึงไม่ฝันสาเหตุหนึ่งคือฝันแล้วเราไม่รู้อีกสาเหตุหนึ่งจิตมันเหนื่อยมันก็เลยขี้เกียจฝันอีกสาเหตุหนึ่งเพราะจิตเราสงบนั่งสมาธิจิตสงบมันไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ฝัน มันแต่มไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ออก็ต้องคิดแบบกว้างๆไวออ้คนที่มีปัญญาเขาต้องคิดอย่างรอบคอบออไม่ใช่เอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตัวเองต้องการออคำถามต่อไปจกคุณอูการละมานะอัตตาตัวตนคือการพิจารณาร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังใช่หรือเปล่าคะพิจารณาแล้วต้องทำตามด้วย ต้องทําตัวเราเป็นดินร่างกายมันเป็นดินใช่ไหมทำมาจากดินพรับท่เจ้าบอกให้ทําตัวเราเป็นเหมือนปัตภีเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปใครเขาจะดูถูกเหยียดย่ำเรามองเราเป็นเหมือนผ้าคีเรลเป็นเหมือนเป็นเหมือนดินเป็นเหมือนสิ่งที่ไร้คุณค่าก็ปล่อยก็ทําไปเพราะเราเราเป็นดินตามที่เขาว่าอยู่แล้วเราจะไปโกรธเขาทําไม เราหลงไปเองไปถือว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เป็นเศรษฐีมีเงินอย่างนั้นอย่างนี้คนจะต้องเคารพนับถือเราอันนี้แหละเป็นอัตราตัวตนความจริงคือเราเป็นดินน้ำลมไฟร่างกายนี้มันทำมาจากอะไรมันก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟดีๆนี่ยังพระเจ้าทรงบอกว่าทำตัวเราให้เป็นดินแล้วเราจะสบายใจเพรา ะ, ะเราจะไม่เสียใจเพราะ เขาจะพูดอะไรมันก็ถูกทั้งนั้นน่ะหรือดีกว่าที่เราเป็นเข้าใจไหมเพราะดินนี่มันเป็นสิ่งที่ต่ำที่สุดแล้วคำถามต่อไปจากคุณวันธนีแก่นของการทำบุญคือเพื่อละกิเลสใช่ไหมคะก็ละความโลภอยากได้ <c oughs> สองละความตนีความหวงสามเพื่อให้จิตมีความสุข เวลาได้ทำบุญได้คนอื่นก็มีความสุขจะทำให้เรามีความสุขขึ้นมาเป็นการให้อาหารกับจิตการทำบุญนี้เป็นอาหารทำแล้วจะมีความอิ่มใจสุขใจเหมือนได้รับประทานอาหารจะทําให้เราไม่โลภไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ค่ะคำถามต่อไปจะคุณบุรากรรมนั่งภาวนาโดยไม่เดินจงกรมได้หรือไม่เจ้าคะคือ สามารถนั่งภาวนาได้นานๆแต่เมื่อลุกขึ้นเดินจงกรมแล้วกลับมีความรู้สึกว่าไม่ลื่นไหลเหมือนเวลานั่งเจ้าค่ะได้ทั้งนั้นเนี่ยจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้แล้วแต่อันไหนได้ผลดีก็ทำอย่างนั้นแต่เป็นไปนไม่ได้หรอกที่เราจะต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนมันก็ต้องเปลี่ยนอริยบทถ้านั่งทั้งวันทั้งคืนต่อไปร่างกายมันก็เป็นง่อยได้เป็นคนพิการได้ เห็นต้องมีการเปลี่ยนิรยาบทบ้างเพื่อจะรักษาร่างกายด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติแบบเข้มข้นเราเพียงแต่ปฏิบัติแค่ครั้งละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็นั่งอย่างเดียวก็ได้แต่ที่เขาต้องเดินเพราะเขาปฏิบัติกันทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับนี่พระที่ปฏิบัตินี้เขาปฏิบัติกันตลอดเวลา ดังนั้นเขาจะนั่งอย่างเดียวไม่ได้เขาก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบุตรมาเป็นการเดินหรือไปทำภารกิจต่างๆเอแล้วนะวันนี้เอาคำถามสุดท้ายก็แล้วกันมีอีกไหมค่ะมีค่ะจากคุณชมเพลินฝึกแนวพองยุบเวลาไปเข้ากรรมฐานครูอาจารย์ไม่ส่งเสริมให้ฝึกโยคะโดยที่เราฝึกเพราะเป็นยา เพราะปวดตามร่างกายมากทำให้เรารู้สึกเครียดกับความปวดมากมาอ่านหนังสือไมเวของพระอาจารย์สุชาติบอกว่าหลวงตามหาบัวก็ฝึกโยคะขอช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะเพราะตอนนี้รู้สึกผิดมากๆถ้าตัวเองออกกำลังกายฝึกโยคะคะ่ะอ๋อทำได้ให้มันมีการละเทศะเวลาฝึกจิตก็ฝึกจิตไปเวลาฝึกร่างกายฝึกร่างกายไปเรายังกินข้าวได้ไม่ใช่เหนอไป ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเขาไม่ห้ามเราให้กินข้าวใช่ไหมการกินข้าวมันก็เป็นการดูแลร่างกายการยืดเส้นยืดสายทยําโยคะมันก็เป็นการดูแลร่างกาย อย่างนี้นขอให้ทำตามเวลาเวลาไปฝึกยุบห น, อหนอ่อพองหน่ออย่าไปทำโยคะตอนนั้นเข้าใจเข้าหมายความว่าอย่างนั้นเออเขาตอนที่เราไปเขายุบหน่อพองหนอแล้วก็ต้องยุบหน่อพองหนอกับเขาเวลาเรากลับบ้านเราอยากจะทำโยคะเราก็ทำของเราไปให้รู้จักแยกแยะเข้าใจไหมว่ากาละเทสะเอาแล้วนะอันนี้ก <laughs> ็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา